วันนี้ผมได้เรียกหมู่มาประชมุมตามปกติในพรรษาบางปีผมระชมกันในระหว่างระหว่างวันพระในระหว่างกลางเราจะได้พูดกันเกี่ยวกับฝ่ยพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนใช้เวลา น, านานในการพูดหารือหรือว่าแนะแนว เราพูดแต่ตอนเช้าก็มีเวลาจำกัดแล้วเราพูดวันพระตอนเย็นก็พี่น้องประชาชนก็ไม่สะดวกในการพูดหากว่ามีแต่หมู่พระสงฆ์ด้วยกันเราจะพูดอะไรก็จะมีแนวหลักธรรมคำสอน ร่วมแนวพรวินยัยกฎระเบียบของพระที่พวกเราจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาวันนั้นวันนี้ผมจึงได้นิมนต์หมู่พกเพื่อนมาประชุมเห็นว่าวันนี้ว่างไม่มีภารกิจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นตั้งแต่วันเข้าพรรษามาลูกก่อนเข้าพรรษาภาระของผมรู้สึกว่า มันลุมมันตุ่มยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรอันนี้ก็เป็นธรรมดาเราอยู่ในชุมชนและสังคมจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่น้นก็ต้องรู้จักเวลาไหนหนักเวลาไหนเบาจะให้เบาตลอดก็ไม่ได้จะให้หนักตลอดคงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่วันนี้รู้สึกว่า ภาระของผมเบาจึงได้นิมนต์หมู่พเพื่อนมาประชุมเพื่อในแนะแนวทางรือแนวทางแห่งการประพุทธปฏิบัติวันนี้เป็นวันที่ย0สิบสิงหาคมพุทธศักราช2005ันหร้อยหหเป็นวันประชุมเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันพระอย่างที่ผมได้กล่าวเกิดเบื้องต้นวันนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ตั้งใจพวกเราบวชเข้ามาในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันนวกะที่บวชยังไม่ได้เคยผ่านพันษ า, นาและตลอดถึงพระที่มีอายุพันษาที่อยู่ด้วยกัน เราบวชมาเพื่ออะไรให้ถามตนเองอยู่เสมอถ้าเราไม่ถามตนเองเราจะชล่าใจเราจะลืมตนลืมตัวเราจะถือว่าวัตถุภายนอกเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญคิดว่าเราจะอยู่ในวัดวาศาสนาอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆเป็นเจ้าพ่อในวัดวาศาสนา นตนสาคัญตัวว่าเป็นบุคคลสาคัญในวัดวาสศาสนาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันจะลืมตัวได้ง่ายถ้าเราไม่ถามตัวเองถ้าเราถามตัวเองห้ืว่าทาความเข้าใจกับตนเองหลักของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าจุดมุ่งหมายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรตั้งแต่เรื่องกฎระเบียบคือสินการอยู่ด้วยกันให้พวกเราได้เวล่ำเวลาบอกกล่าวกันก็ให้รู้จักทำหน้าที่การงานใครมีหน้าที่อะไรก็ให้พูดกันให้ตกลงกันเพราะว่ากิ จ, จวัตรอวัดทางหลายเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ช่วยกันทำเรียกว่าวัดกิจจวัตรวัดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พวกเราศึกษาถ้าอยู่ในหนังสือก็คืออยู่ในวิในมุกเล่มสองถ้าอยู่ในายละเอียดกว่านั้นก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในสีนพิสมาจาร์แต่อยู่ในสีนพิสมาจา ร, รู้สึกวัดละเอียดกว่า ถ้าอยู่ในปในมุกเล่มสองท่านจะนำมาประยุกต์ใช้มาประยุกต์แนะนำสั่งสอนพวกพวกเราเสนาสนะวัดวัดเกี่ยวกับเสนาสนะคือศาลากุฏิที่พักผาอาศัยลานวัดเราควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราเข้ามาอยู่อาศัยในวัดวาศาสนาศาลาเราควรทำอย่างไงปัดกวาดทำความสะอาดอย่างไรเสนาสนะ ตลอดถึงลานวัดเราจะรักษาอย่างไรจึงจะสะอาดสะอ้านถูกตามหลักพระธรรมวิ น, นัยเพราะการอยู่ต้องปัดกวาดทําทความสะอาดอันนี้เราเสนาสนาวัด เ, เวชจุกติวัดก็วัดเกี่ยวกับห้องน้ําห้องส้วมเราควรปฏิบัติตนอย่างไรกับห้องน้ําห้องส้วม เราควรจะช่วยกันรักษาอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายสวมรองเท้าตัดตีนเปื่อ น, นเข้าไปและออกมาก็ไม่รู้จักล้างไม่รู้จักทําความสะอาดอันนั้นระปรับอบัดทุกกฎแก่ผู้กระทํานั้นแล้วแปลว่าไม่ใส่ใจไม่ทําความสะอาดทําให้เปื่อนเปื่อยเลอะเทอะอีกต่างหากใช้แล้วไม่รู้จักรับผิดชอบนี่แหละ ศีลมันผิดศีลไปแล้วถ้าพวกท่านทานั้งหลายอยากจะรู้ให้ดูในพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรอย่าสวมรองเท้าขึ้นไปนั่งไปเหยียบปนเขียงเท้าตวงหัวส้วมอย่างนี้เป็นตน้นเวลาออกมาก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดออกมาต้องดูให้เรียบร้อยอันไหนที่มันเปื่อนเปิดเลอะเทอะอยู่ล้างให้สะอาดค่อยออก จากห้องน้ำถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบอย่างนั้นผู้ที่รักษาความสะอาดผู้เข้าไปทำความสะอาดแต่ตอนเย็นก็ไม่หนักหนาเพราะเหตุใดเพราะทุกองมีความรับผิดชอบแต่บางองค์บางทีเคยเห็นเข้าไปแล้วเลอะเะ เ, ะเะถอะเขาดหนาหัวส้วมตัวเองยังไม่รู้จักล้างอีก มันเคยมีนะที่ผมพูดให้ฟังผมปวดมานานผมเคยเห็นไม่ใช่ผมออกมาพูดขนาดหัวส่วนตัวเองออกมาก็แสดงว่าลอยเต็มที่จิตใจลอยเต็มทดขนาดไปส่วมเสร็จแล้วออกมายังไม่รู้จักล้างส่วมอีกต่างหากไม่ต้องพูดถึงบริเวณที่เดินเข้าไปมันเปิดเปิดลเลเอะ ด้วยความสกปรกที่มีดินเข้าไปติดเท้าเข้าไปหรือติดรองเท้าเข้าไปไม่ต้องพูดแต่ขนาดหัวส่วมขนาดนั้นยังไม่รู้จักลรางผมเคยเห็นอันนี้ผมมาพูดให้หมูพวกเพื่อนฟังในวัดของเรานี่มีไหมลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าลอยเต็มทนจิตใจเ อ, อเกินกว่านั้นไปแล้วก็บไปว่าขาดสติ เป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆทําไมจึงลอยถึงขนาดนั้นมันคิดปุ่งฟุ้งไปอะไรมากมายนักหนาทําทไมไม่มีสมาธิในการอยู่ของตนเองเข้ามาฝึกอะไรนี่อันนี้เราว่าเวชจุติวัดให้ช่วยกันดูให้มีเวรยามแล้ก็ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในบริเวณบริเวณรอบศาลาของพวกเราอันนี้ก็ให้จัดการกันดูแล อยให้ผมได้บอกพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นพระช่วยกันดูแลตอนเย็นมากับแบ่งผู้ที่มาทำชระก็ามาทำพูดธึไปทำห้องน้ำก็ช่วยกันทำสรุปแล้วก็คือช่วยกันทำความสะอาดแบ่งเวียนกันแบ่งภาระกันนี่และเป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกันอันนี้ทางเฟะกุตติวัดคันทวัดก็คือข้อวัดเกี่ยวกับโรงน้าร้อน ในครัง้งผู้จัดการท่านไม่ได์ฉันน้ำร้อนหรอกแต่ว่ามีน้ำที่ต้มแล้วก็บางทีมันหนาวทงมีกรังแล้วก็มีขีดเท่าสำหรับพอกร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายมันแตกมันแห้งเกินไปอันนั้นก็มีอั น, นีเราศึกษาดูแล้วก็วิธีการใช้ขันทวัดนี่เราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันพอเราไม่ได เราไม่ได้เกิดในประเทศอินเดียแล้วว่าอาคารตุ ก, กวัดการต้อนรับขับสู้สาหรับศรัทธายาตโยมพระเองเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะโอภาสไสต์ต้อนรับเขาอย่างไรจรึงจะพอเหมาะไม่ใช่เฉลียเลียแคลงเรี ย, ข, รยขาอันนั้นมันไม่ถูกอันนั้นเราไม่ใช่พระเฉลียเราต้องต้อนรับขับสู้ตามสมมาสมควร หรือว่าศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหรือพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เข้ามาควรจะรับบาทและจีวรรับยามท่านยังไงแนะนำท่านอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพระที่พวกเราได้แต่งตั้งกันไว้คือพระเวณนศาลาเวลาครูบาอาจารย์มาก็ต้องรู้จักต้อนรับปฏิสันฐานคารวะตาต้อนรับผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาของเรา อันนี้ก็คืออาคารทุกกวัดแล้วก็อาจารย์วิยวัดข้อวัดเกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ก็คือผมเลยล่ะควรมีอะไรถาาว่ามีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพวกที่อยู่ห่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าผู้ที่เข้ามาไม่มีภัยเข้ามาเกี่ยวข้องพวกท่านหาเหินโดยที่ไม่รับผิดชอบ พวกท่านก็ ป, ป, ปรับเอาบททุกกฎแก่พวกท่านเหมือนกันแปลว่าปล่อยปลาละเลยเหิ น, เ ห, นเหินห่างๆแม่รู้จักอาจารย์อริยวัตรผมก็เช่นเดียวกันท่านเนี่ยสัตว์ทิงวิหาริกรวัดข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาควรจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรทูกศิษย์ลูกหามีกิริยามารยาทอย่างไรลูกศิษย์ลูกหาขาดตกปกฟ้องในปัจจัยสีอย่างไร มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรแล้วมีความเห็นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของผมจะต้องดูแลพวกลูกศิษย์ที่มาเกี่ยวข้องที่มาอยู่ในวัดของผมผมก็พยายามดูจุดนี้อีกเหมือนกันผมจะไม่ให้ขาดตกปกพ่องอีกเหมือนกันนวัดสัทธิวิหาธิกวัตอันเตวาิกวัตคือพระอุปชาหรืออุปชายวัด ในเมื่อเราบวชอุปชาถ้าอุปชามาอยู่เราควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อพวกอุปชาอันเทวศิกวัด ก, ก็คือพวกอุปชากับลูกศิษย์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดถ้าว่าพวกเราที่เป็นพระที่มีอายุพรรษาควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องจำเป็นจะต้องได้ใช้พระวินยัย เจ้าช่องจะใช้กฎระเบียบแต่สําหรับพระนวกาที่บวชเข้ามาใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดนั้นแต่ก็ต้องตาดูหูฟังใจต้องสําเนจสํานึ ก, นกท่านพาทาอย่างไรท่านพาดาเนินอย่างไรถ้าสงสัยให้ถามเพราะพวกเราเข้ามาเพื่อการศึกษาพวกเราเป็นคราวญา พวกเรายังไม่เคยบวชเราจะ น, ำในใํำนิสัยฆราวาสมาใช้ในวัดก็ไม่ถูกนิสัยของพระกิริยามานรษา์ของพระพระวินัยของพระกฎระเบียบของพระมันมีกฎของใครของเราอย่างเหมือนกับกฎบริษัททางร้านกฎตํารวจทาหารพิพากษาอายการกฎโรงเรียนกฎประเทศไทย กฎต่างประเทศกฎหมายมันมีกฎแต่ละกลุ่มแต่ละคณะของเขาอันนี้พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเขาก็มีกฎฝวายพระสงฆ์มีกฎกติกาอย่างไรอุบาสกอุบาสิกามีกฎกติกาอย่างไรมีศินห้ามีศิลแปดยึดพัะไตรสารณคมสมณเณรมีกฎกติกาอย่างไรพระสงฆ์มีกฎกติกาอย่างไรอย่างที่ผมได้กล่าว อันนี้ผมกล่าวเพียงหน่อยหน่อยเดียวอันนี้ก็คือพระวินัยเป็นศินอภิสมาจาร์แต่ศินพระปฏิโมกแล้วก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้สวดพระปฏิโมกศินสองอี่สิบอันนี้คือศินมาในพระปฏิโมกเราสวดสวดทุก15้าวันสวดทุกกลึ่งเดือนดับเพ็นดับเพ็นอันนี้คือศินพระปฏิโมก สินที่ผมได้กล่าวเรื่องวัดต่างๆอย่างที่ได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบอันนี้คือสินมาในอภิสมาจารย์สินนอกพระปฏิโมกมีมากแต่ถึงยังไงอย่างที่ผมเคยย่นย่อสินทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจใจดวงเดียวใจนะสำคัญถ้าเราไม่คิดไปในทางชั่ว การกระทํามันก็จะไม่ออกนอกรูกนอกทางถ้าใจของเราไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีการพูดก็จะไม่ออกนอกรูกนอกทางเช่นเดียวกันงนั้นถ้าในรักษาใจสินและวินัยอยู่ที่ใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาสมัยในครั้งพุทธกาลคนทั้งหลายเขาก็มาถาม มีพราหมณ์มหาศาลค่าๆภาพใหญ่ค่ายๆว่าเป็นผู้มีอำนาจในยุคสมัยนั้นเป็นป่ายปกครองอยู่ในกรุงสาวัตถีก็ามากราบพระพุทธจเจ้ากา็ถามว่าสาระแกนสารของ ร, รมคำสอนของพระพุทธศาสนาคืออะไร เพราะว่าต่างคนก็ต่างประกาศสนสายเวสบุตรมคริโพสัรคือในยุคสมัยนั้นมีรัฐิใหญ่มีหกรัฐิคือแข่งกันอย่างทุกวันนี้ก็อย่างที่พวกเราเมืองไทยของเราก็มีหรัฐทีพุทธศาสนาคริสตศาสนาอิสลามศาสนาชิกศาสนาพราหมณ์ศาสนาอย่างนี้แหละแต่สมัย ครั้งพุทธเจ้าของเรามีหมีหกศาสนาใหญ่คือแข่งกันประกาศกันแต่นี่พราหมณ์เขาก็ถามว่าศาสนาทุกศาสนาที่ทั้งหกนั้นเขาก็ว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีสังคมก็ยอมรับว่าทุกศาสนาเนี่ยดีเป็นคนดีประกาศออกไปแต่เขาที่ประกาศออกไปนั้นเขาบริสุทธิ์ เออเป็นคนดีอย่างที่เขาประกาศหรือไม่หรือเขาเปลี่ยงประกาศไปเฉยๆแล้วคุณงามความดีของเขาไม่มีท่านสมระโคตมพุทธเจ้ามีความเห็นอย่างไรเนี่ยเขาถามไอ้ใครก็ว่าไปถามศาสนานั้นไปถามศาสนานี้ลักษณะอย่างนั้นตั้งที่พระพุทธองค์จะตอบว่าศาสนาของเราน่ดีที่สุดพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาอื่นเลวพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้น พระองค์บอกว่าอย่าเลยพรามอย่าไปสนใจท่านจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านจะเป็นยังไงอันนั้นก็คือแนวความคิดของแต่ละศาสนาเธอตั้งใจฟังเราจะพูดให้ฟังตั้งใจฟังพระพรทองค์บอกตั้งใจฟังคือศาสนาของเราเนี่ยถ้าใครต้องการแก่นคือต้นไม้ที่มีแก่นเข้ามาแล้วก็มาศึกษาแล้ว มาศึกษาเพื่ออยากจะได้แก่นคนที่อยากจะได้แก่นแต่ไม่รู้จักแก่นก็เลยไปเอาโน้ตเอาใบไม้เอากิ่งไม้สำคัญว่าเป็นแก่นคนที่รู้เขาก็บอกโอ้ทำไมทั้งที่อยากจะได้แก่นก็ไปเอาใบไปเอากิ่งบางคนเข้ามาก็อยากจะได้แก่นแต่ก็ได้กระพี้ ได้เปลือกได้เปลือกไม้ได้เกล็ดไม้ออกไปก็สำคัญว่านี่คือเปลือกสำคัญว่าแก่ น, เ, นเกล็ดไม้เกล็ดไม้กับเปลือกไม้แต่บางคนเข้ามาก็คิดว่าหามาเพื่อหาแก่นแต่ได้เพียงกะพีกระพีไม้ก็สำคัญว่าเป็นแก่น แต่คนผู้รู้ก็ว่าอันนั้นเป็นกะพีไม่ใช่แก่นแต่ผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดีและปฏิบัติลงมือปฏิบัติเข้ามาหาแก่นก็ได้แก่นอย่างแท้จริงอันนั้นคือผู้ที่สมหวังในการเข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติก็ได้แก่นอย่างสมความมุ่งมา่นปรารถนาอันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ฟังพระพุทธเจ้าเราจะเปรียบเทียบให้ฟัง คือพระเขามาบวชในพุทธศาสนาคือศาสนาของเราบางคนพอบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้แข่งในศีลพอแข่งในศีลเสร็จแล้วก็อธิเลคลาบก็เกิดขึ้นก็เป็นที่พอใจตัวเองวมื่อกิ้ว่าพอใจในการเป็นอยู่ที่แท้ศาสนาของเราไม่ได้สอนเพียงศีลเท่านั้นก็ถือว่าเนี่ยเราได้ใบไม้ ได้กิ่งไม้เพียงแค่สิ่งก็เป็นที่พอใจแต่แตามกิ่งไม่ใช่ได้แต่ใบไม้กับกิ่งไม้เท่านั้นเองคือหมดสิ่งและจากนั้นก็สำคัญตนเองวันเลิศกว่าใครๆเพราะเป็นผู้แข่งในสิ่งต่อมาอีกทั้งมีทั้งศิ่งไดสมาธิว่าจิตใจตัวเองได้รับความสงบก็ดูถูกคนอื่นอีก แล้วก็มีอติเลกลาบเกิดขึ้นอีกกับพิทีพอใจในจุดนั้นอันนี้ก็มันยังไม่ใช่จากนั้นก็เกิดพอบำเพ็ญเข้าไปก็เหมือน ก, อกอันได้เปลือกอเหมือนได้เปลือกต่อมาก็ได้กับพีก็คือญาณาทัสนะคือฌานปฐมฌานตุติจฌานจะตุทฌานอันนี้ก็คือเพียงเข้ามาหากับพี แต่ตัวหาแก่นก็คือผู้ที่บำเพ็ญเข้าปัญญาวิมุตติญาทัศนะคือดูใจของตนเองปล่อยวางเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่กำเริบเป็นผู้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจหลุดลอยออกจากใจเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส อันนี้แหะคือผู้ที่มาหาแก่นได้แก่นอย่างแท้จริงสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านท่านไม่ได้ถือว่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิอันนั้นมันเป็นเปลือกนอกแต่จุดใหญ่จริงๆก็คือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นะคือจุดประสงค์ของพุทธะที่แท้จริง นี่แหละท่านมกเทศให้พราหมณ์คนนั้นฟังพราหมณ์คนนั้นก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อบใส่เพราะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับแต่เราอย่าไปเข้าใจผิดเราอยู่ในระดับไหนแต่ถึงยังไงถึงเราจะมีลาบมียศมีสระเสริญเยินยอ่อยังไงก็ตามอย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวอย่างที่ผมได้พูดเปลืองตน้นเราเข้ามา อยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวพัดกลาบวชมาเพื่ออะไรเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการอะไรเราต้องการเพียงให้เขายกจองชนนเสริมมีลาบมียศมีจตุ ป, ปัจจัยสี่พุ่งฟวยเหลือเฟือเพียงแค่นั้นเพียงพอแล้วใช่ไหมอันนั้นเป็นเปลือกเป็นใบไม้เป็นกะพีเป็นกิ่ง ไม้ต้นเองไม่ใช่แก่นแต่ขนาดสมาธิจิตใจให้สงบท่านก็ยังเปรียกว่าเป็นเปลือกยังไม่ใช่กภีก็คือยาณาทัศนะคือฌานปฐมฌานตุติฌานเจตุทัสาะจนถึงลูกประชานอรูปประชานอันนี้ก็ยังเป็นเป็นกภีติดแก่นแต่เมื่อท่านทั้งหลาย พิจารณาถึงอจินจัญญายตนะสัญญาเวทะยิตะนิโรธสมาบัติอันนั้นแปลว่าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเต็มทนจากนั้นก็ถึงบิมุตติยานัศสนะอันนั้นก็คือจุดสูงสุดของพระพุทธ ศ, ศาสนาจุดสูงสุดพระธรรมคำสอนของเราตถาคต เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านจุดมุ่งหมายของหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่เป็นสาระแก่นสารของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรเนี่ยนั่อยากจะให้พวกเราศึกษาค้นคว้าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทําเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญพื้นฐานเบื้องต้นการที่จะเกิดสมาธินั้นจะเกิดขึ้นมาแบบ ล, ยลอยๆเกิดขึ้นมาแบบฟกๆ มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องใส่ใจเราต้องสนใจเราต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเราต้องมีความมุ่งมั่นเราม่ต้องมีความตั้งใจจริงอย่างที่ผมได้พูดเวลาเราอดอาหารหรือผ่อนอาหารเราอดเพื่ออะไรอย่างที่ผมได้กล่าวอีกเหมือนกันถ้าว่าเรามองอีกแบบหนึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็จะต้องว่า อัตกิลมัฏาแล้วก็ทับอยู่ตามธรรมดาลวกาม ส, สุกันลิกาแต่มัชฌิมาปฏิปทาคำนี้นะ่ยเราจะหาได้อย่างไรโดยมากมันมัชฌิมากิเล ช, ชมากกว่าแต่ที่เตเองว่าเคร่งครัดแต่ที่ไหนได้ปล่อยจิตปล่อยใจไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะมันลุมมันตุ่มเหยียบย่ำจิตใจของตนเองอันนี้เรียกว่า มัชชิ ม, มากิเลสธรรมัชชิ ม, มาของธรรมต้องสังเกตเวลาเรานั่งภาวนาอดนอนพ่อนอาหารเราเร่งความเพียรขนาดนี้ใจของเราเป็นอย่างไรเราต้องดูผลผลของสมาธิผลแห่งความสงบผลแห่งการพิจารณาผลแห่งการดําเนินงานของเราเหมือนกับเราทำมาค้าขาย ถ้าเราทาํามาค้าขายเราไม่มองประเมินผลงานมีแต่ทำงานว่าตัวเองขยันทั้งวี่ทั้งวันจะขยันก็เถอะแต่ว่าผลงานออกมานเป็นอย่างไรขาดทุนย่อยยับขยันก็ขยันแบบโ ง, โง่ๆไม่ใช่ขยันแบบฉลาดถ้าขยันแบบฉลาดก็ต้องเมื่อทําไปแล้วผลงานออกมางอกเงยได้กําไรอันนั้นเรียก ว, ว่า การดำเนินงานไปในทางที่ถูกต้องนี้ก็เหมือนการพวกเราที่จะทําสมาธิเดินมักพวกเราก็ต้องสังเกตถึงอย่างนั้นเวลาเราอดอาหารไปยังไงเราปล่อยจิตปล่อยใจมากน้อยแค่ไหนหรือเราจติตของเราเข้มแข็งขึ้นจติตของเราดีไหมในขณะที่เราอดอาหารหรือเราผ่อนอาหารหรือเราอดนอน สิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนทั้งหลายเป็นผู้สังเกตสังเกตตัวเองถ้าเราไม่สังเกตเราทําเป็นวันๆทนนนนาําวันนก้วันเก่าสักแท่ว่าทําผลมันออกมาก็หล่อหล่แหล่แหล่ลื อ, ลเลอนเลือนลางๆหาความสัจจริงไม่ได้ไม่เป็นจิตยารักษณะแล้วผลมันออกมาจะเป็นที่พอใจผมคิดว่าคงจะยาก เพราะการกระทําของเราบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจเท่าที่ควรเพราะท่านสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนเอาจริงจริงจังๆทดลองดูซิมันจะตายขนาดไหนหรือมันจะหลุดสรบสไลเราก็รู้เพระพระพุทธเจ้าท่านอดหรือว่าท่านทำความเพียรพระองค์สรบถึงสามครั้งเราเป็นยังไง มีเราพวกเรามีแต่สลบลงหมอนตรงเสือลงหมอนท่านเองจะสลบจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นอยากอยากจะให้พวกเราทดลองเอาให้เข้มงวดกวดขันดูบังคับใจตัวเองดูให้อยู่ในสมาธิไม่ให้มันปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกข้าพเจ้าอดทหารในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด จะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกตลอดถึง9เดือนอริยบทเมื่อเข้ามาถูที่พักที่ภาวนาของเราเราจะมีสติกับตัวเองตลอดทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนอริยบททั้งสี่ของเราให้มีสติอยู่ตลอดพอเราเมื่ออดอาหารเราก็มาดื่มน้ำแล้วก็กลับแล้วก็กลับจิตตามลำพังตอนเช้าเราก็ไม่ต้องมายุ่ง ปัดกวาดเราก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องสาลงซาลาเราก็ไม่ต้องมาทําก็ได้ในขณะที่อดอาหาร เ, าเว้นเสียแต่เมื่อเรามาฉันแล้วทุกองค์ต้องมาช่วยกันแต่อดอาหารควรจะเป็นการยกเว้นให้หมูองค์ที่อดอาหารให้พยายามทําความภาคความเปลี่ยนนี่แหละอยากจะให้หมูตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษานี้ท่าทาว่าพวกเราท่านทางหลายที่จะบวชมานานก็เถอะ กำลังหลักจิตหลักใจยังไม่แน่นหนามั่นคงใจของเรายังไม่มั่นคงจิตใจของเราเลาะแหละไม่มีหลักใจถึงจะบวชนานขนาดไหนก็เถอะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้ากับเป็นผู้ใหญ่เลาะแหละเป็นผู้ใหญ่ไม่เชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อกศรางหาผลที่สุดไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ ทางไหนหเขาว่ายอย่างไงก็ไปตามเขาผลที่สุดก็เลยเหมือนไม้ปักขี้เลนล้มไปเรื่อยเละเละเละ ท, ะ ท, ะทะเทไปเรื่อยหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเหตุไรก็ เ, เพราะตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มไม่มีกฎเกณฑ์สําหรับตนเองไม่ได้เร่งภาวนาไม่ได้เร่งทําความภาคความเพียรเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับหมูพวกเพื่อนทุกงงที่พูดทางนี้ทางนั้นใกล้ๆว่าพวกเราในช่วงนี้พวกเรา สถานที่ผมไม่ได้ตำหนิว่าวัดของเราไม่สงบมีแต่พวกท่านทั้งหลายยื่นคอเข้ามาให้เขาเชือดคอตันเองเออแต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายหลบไปอยู่ในมุมสงบมีมุมสงบมีตั้งแ ย, ะ, ยะในวัดของเราพวกเราจะเลือกอยังไงเลือกได้ทั้งนั้นการอบรมแนะนำสั่งสอนผมเองผมก็ไม่ได้คิดว่าผมด้อย ในการอบรมแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนเพราะสถานีวิทยุของหลวงตามีอยู่แล้วให้พวกท่านทั้งหลายฟังถ้ามีความสงสัยตรงไหนอย่างไรก็มาถามผมได้ในขณะที่ฟังผมก็ได้ฟังธรรมเทศนาเหล่านี้แหละที่ผมเข้าไปศึกษากับพ่อแม่คุณอาจารย์องค์หลวงตาเขาก็อาจมาจากขราวนูด้ดแหะก็มาเผยแผ่ประกาศบอกกล่าว พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก่อนนำมาพยายามเหมือนกับองค์หลวงตานั่งอยู่ต่อหน้าสอนท่านอยู่ต่อหน้าท่านออสอนอยู่ต่อหน้าเราเราปรนมมือฟังฟังให้เข้าใจฟังให้ใส่ใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนหลวงตานั่งอยู่ต่อหน้าเราชี้หัวใจของเราอยู่ตลอดถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจอย่างนั้นผมมั่นใจว่า ที่พวกเราฟังไปนั้นจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะดำเนินตามแนวแถวที่องค์หลวงตาแนะนำสั่งสอนไม่ได้มากก็ได้น้อยเรื่องสมาธิเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะใส่ใจในเรื่องการศึกษาเพราะเราเข้ามาเพื่อการศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติ เราได้ยินทั้งหลายทั้งปวงนะั้นคือนั่นแหละคือปริยัติยังไม่ใช่ของเรามันเป็นแผนที่เท่านั้นเองในเมื่อเราศึกษาแผนที่เป็นที่เข้าใจจากนั้นเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติในเมื่อเรานามาปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นกับเราอันน้นเราปฏิเว คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าจะเปรียบเทียบข้างนอกให้เห็นชัดเจนปริยัาต์ก็คือการเรียนหนังสือการเรียนแพทย์เรียนหมอจะเรียนวิ ช, ชาไหนก็ตามแต่เรียนวิ ช, ชานั้นตำรวจทหารพี่ปากสาญาการครูบาอาจารย์วิ ช, ชาไหนก็ตามอันนี้ก็คือปริยัาต์ในเมื่อเราได้ทํางานจะเป็นหมอเป็นอาจารย์สอน เป็นพี่ภาคษาษาการเป็นตำรวจทหารอันนี้เราลงมือปฏิบัติเมื่อได้เรียนมาแล้วลงมือปฏิบัติได้รับราชการในที่ขแขนงที่เราได้เรียนมาในเมื่อเราได้รับสาาการเราก็ได้รับเดือนเดือนผลตอบแทนผลตอบแทนในการทำหน้าที่การงานผลตอบแทนอันนั้นคือปฏิเวทปฏิเวทธรรมคือผลแห่งการปฏิบัติ นี่ยแะนี่ก็เหมือนกันปริยัติคือเราต้องศึกษาได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากผมเป็นต้นวิธีการทําสมาธิชทำยังไงวิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบต้องทำอย่างไรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างไรมีความใส่ใจยังไงอันนี้คือปริยัติที่ผมแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือจะกว่าจริงปริยัติไม่ใช่เมื่อได้ยินมาแล้วนันนะคือปริยัติในเมื่อได้ยินแล้วเข้าใจแล้ว นําไปประพฤติปฏิบัติอันนี้แปลว่าลงมือปฏิบัติ่เลยเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจิตใจเป็นสมาธิขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นกับเราแล้วอันนั้นเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาในคราวนี้อย่าไปเด่นๆด่นดันดนอย่าไปหล่อๆล่แล่หล่อย่าไปเห็นแก่พูดแก่คุยอย่าไปเห็นแก่ สนทนาปารพบเห็นแก่ปากแก่ท้องเราเป็นคารวะญาติโยมเราเคยอยู่เคยกินมาแล้วถึงจะเลี้ยงอิ่มีพีมันขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายผมยังเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกแก่เจ็บตายยังคอยพวกเราอยู่คนราะนั้นให้พวกเราพลิกผันจิตใจของตนเองจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่ประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมยกตัวอย่างที่ว่าพราหมณ์เข้ามาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าม่ได้แนะนําสั่งสอนว่าเรื่องเพียงตัดสินเท่านั้นก็เพียงพอถ้าเป็นในวายอย่างนั้นขนาดสมาธิยังไม่เพียงพอญาณทัศนะก็ยังไม่เพียงพอรูปประฌานอาร ป, ประฌานก็ยังไม่เพียงพอจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มี กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจจิตใจเป็นอิสระจิตใจพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารอันนั้นเลยคือจุดประสงคกระวัจจุดมุ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าวางศาสนาเอาไว้เพราะนั้นในพวกเราให้มองอย่าไปลืมตัวในการเป็นพระของพวกเราถ้าพวกลืมตัวแล้วนะเนี่ข้าเป็นใครฮะข้าจะเป็นใครก็คือกิเลสข้าเป็นกิเลสพูดอย่างนั้นได้เลย เพราะนั้นผมที่เป็นหัวหน้าปู่พวกเพื่อนผมไม่เคยลืมตัวรู้เท่ารู้ทันอีกสักวั น, นข้างหน้านไม่วันใดก็วันหนึ่งผมก็จะต้องถึงจุดจบพวกท่านทั้งหลายให้คิดไว้อยู่ในใจอย่างนั้นอยู่เสมอเพราะนั้นพวกเราจะชราใจจะนอนอย่านอนใจให้พยายามสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาและลงมือประพฤติปฏิบัติ อย่างเข้มงวดกวดขัดขอให้พวกเราทุกท่านนะวิธีการทําสมาธิผมก็สอนแล้วสอนอีกเวลาเดินปัญญาเดินยังไงผมก็สอนบอกแล้วกล่าวอีกแต่คราวนี้ผมบอกกล่าวเป็นภาพรวมให้พวกท่านทั้งหลายจุดมุ่งหมายแก่นสารของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรพอให้พวกเรามองภาพรวมแล้วก็ย้อนกลับมาหาตัวของเรา แล้วเขาพยายามปรับปรุงกายใจของเราให้ได้อย่างพระธรรมคำสอนที่พุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าพวกเราจะภาคภูมิใจอย่างมากในเมื่อวันนั้นมาถึงหรือเราได้โลกุตละธรรมเข้าสู่จิตใจการพูดและการแสดงกล่าวส ม, มุดธนิยกาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ แล้วก็ให้มีความพุ่งมั่นมีความตั้งใจใส่ใจอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแล้วก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษให้รู้จักประมาณตดแล้วก็ให้เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีลเป็นพื้นฐานและสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาในที่สุด ขอให้พวกเราทุกท่านตะโกนตั้งใจนะบวชมาคราวนี้อย่าให้เสียเว ล, เวลาในการบวชถึงจะบวชเป็นเทวานวกะก็พยายามใส่ใจสนใจเมื่อเราออกไปก็จะได้มีหลักใจว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่หลักที่จะมาหลอกหลอกแหลกเป็นหลักธรรมคาสอนที่แท้จริงแต่ขอไปพิสูจน์ดูแล้วเห็นจริงจังอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวจริงๆ ผมอยากย้าย ห, หมูพวกเพื่อนพบแก่นหรือสาระของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นพวกเราพูดนักสถานที่ใดพูดด้วยความมั่นใจพูดให้ใครฟังพูดด้วยความมั่นใจเพราะตัวเองได้เจอได้พบมาแล้วเหมือนกับเราไปเจอไปพบสิ่งที่เป็นของจริงน่จะเป็นน้ําเป็นไฟเป็นอะไรก็ตามเมื่อเราไปเจอมาแล้วเราก็พูดด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจเพราะเราไปเห็นมาแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันอย่างเมื่อเราได้พบพระธรรมคำสอนเรื่องสมาธินันจิตใจของเราได้รับความสงบดีแล้วพวกเราก็จะมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงให้แก่ใครๆฟังเห็นได้ชัดในการนั่งสมาธิภาวนาตัวไหนเกิดอันไหนตายอันไหนแอบแตกฉลายอันไหนคงอยู่เห็นได้ชัดด้วยตนเองพูดได้ชัดเจน พนธุขอยพวกเราทุกๆท่านนะประสบสำเร็จสมงความมุ่งมาตปรารถนาการกล่าวสมุรทรธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติ